ฉันเพนแล้วพระบุหียวก็กลับมาที่กุฏิท่านพระครูอีกข้าราชการหนุ่มอายุประมาณไม่เกินสาสิบนั่งรออยู่ท่านเดาว่าบุรุษผู้นี้ต้องเป็นข้าราชการเพราะเขาสวมชุดสีกากี๋และมีบ้างติดอยู่บนบาททั้งสองข้างเขากราบท่านสามครั้งแล้วทักขึ้นว่าลุงพี่อยู่ที่วัดนี้หรือมาจากที่อื่นครับ อาตมาอยู่วัดนี้แลยมละ่ะมาจากไหนผมมาจากอำเภอสองพี่น้องครับแต่บ้านเดิมอยู่ที่นี่แล้วก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อมานานแล้วยมไปทำอะไรอยู่ที่นั่นละ่ะที่อำเภออะไรนะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเป็นปลัดอำเภออยู่ที่นั่นออเท่าแก่เสงเสร็จจากรับประทานอาหารก็เดินเข้ามานั่ง รอมโชเฟอร์แท็กซี่คนทั้งสองกราบพระโบหิวสามครั้งพระหนุ่มจึงถือโอกาสแนะนำบุคคลทั้งสามให้รู้จักกันทราบว่าชายหนุ่มเป็นปลัดอำเภอเท่าแก่เสียงจึงพูดถึงลูกเคยลูกเคยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี้คนเคยได้ยินชื่อไหมเขาบอกชื่อคนเป็นสามีของลูกสาวปลัดหนุ่มจึงว่า ครับท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของผมคุณนายดวงสุดาเป็นบุตรสาวของท่านหรือครับโตกแล้วก็นหนูดวงสุดานี่แหละที่พาผมมารู้จักกับหลวงพ่อและผมก็ได้มาปฏิบัติกรรมาฐานที่นี่ยมเท่าแก่ปฏิบัติได้กล่าวหน้ามากนะยมปหลัดพระโบฮีเยวบอกข้าราชการหนุ่มเพราะต้องการจะยกย่องลูกศิษย์ท่านคิดว่า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 จึงทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งเจริญพรโยมปหลัดมายัางไงท่านเจ้าของกุฏิทัด่ายผมจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยดูเริกแต่งงานครับประหลัดหนุ่มตอบเจ้าสาวเขาเป็นใครละ่ะท่านถามปลัดวัยสาสิบตอบว่าเป็นนางเอกลิเกรครับหลวงพ่อ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 ก็ต้องเลิกร้างกันจึงพูดขึ้นว่าโยมคิดยังไงถึงจะไปแต่งงานกับนางเอกลิกเกละ่ะอาตมาว่ามันไม่คู่ควรกันไม่มีอะไรเหมาะสมกันเลยประหลัดหนุ่มรู้สึกขัดเคืองในคำพูดของท่านเขากำลังหลงสตรีผู้นั้นจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจึงบอกท่านพระครู ว, ว่า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 แต่พออยู่ไปอยู่ไปเขากดจะเบื่อก็จะหนีไปเล่นนิเกอีกแล้วก็ทะเลาะกันในที่สุดก็ต้องเลิกกันอย่าแต่งเลยเชื่ออาตมาเถอะคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่โยมหรอกอาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของโยมแล้วคนที่จะมาร่วมชีวิตกับโยมต้องเป็นอาจารย์ แต่ผมปักใจแล้วครับหลวงพ่อผมรักผู้หญิงคนนี้และก็จะแต่งงานกับเธอให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประหลัดหนุ่มยืนยันหนักแน่นเขาเข้าใจว่าความหลงเป็นความรักแปลว่าโยมไม่เชื่อที่อาตมาพูดใช่ไหมอย่าแต่งเลยนะอาตมาขอร้องอาตมาหวังดีด้วยใจจริง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 ก็ไม่ว่ากันแต่จะให้อาตมาหาเริกให้นั้นอาตมาทำไม่ได้เพราะเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรต้องขอโทษ ด, ด้วยที่ไม่อาจทำให้โยมสมความมุ่ง ม, มาตนปราถนาได้ยินดังนั้นบุรุษวัยสาสิบก็หมดความอดทนเขาพูดออกมาด้วยความโกรธว่าผมเสียใจครับหลวงพ่อเสียใจ ที่หลงนับถือหลวงพ่อมาช้านานเรื่องแค่นี้หลวงพ่อก็ช่วยผมไม่ได้มิหนำซ้ำยังพูดให้เสียกําลังใจอีกเอาละ่ะผมขอประกาศณที่นี้ว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกเคารพนับถือหลวงพ่อและจะไม่มาเหยียบวัดนี้อีกแล้วจึงผลุนผันออกไปโดยไม่ล่ําลาท่านพระครูไม่พูดว่าไกไรไม่โกรธไม่เครื่องบุรุษนั้นเพราะรู้อยู่ว่าสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมเสียด้นะครับน้าตอดีๆตำแหน่งหน้าทีก่ก็ดีแต่คุริยะที่แสดงออกมาไม่ดีเลยสักนิดโชเฟอร์แท็กซี่วิจารณ์ทั้งเขาเถะโยมเขาทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ในเมื่ออาตมาบอกให้แล้วแต่เขาไม่ยอมแก้ไขอาตมาก็ช่วยเขาไม่ได้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 คนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีนั้นน่าสรรเสริญจึงตัดสินใจว่าต้องพูดอย่างผมนี่เมื่อก่อนก็หากินในทางทุจริตแต่ก็มากลับตัวกลับใจได้เพราะเท่าแก่เดี๋ยวนี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมเป็นคนดีอย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนใครและผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุข ก, กายสบายใจกว่าแต่ก่อนมากเพราะละชั่วได้ อย่างนั้นรึอาตมาขออนุโมทนาขอประทานโทษเมื่อก่อนโยมมีอาชีพอะไรล่ะก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานหรอกครับผมชอบเล่นการพนันแล้วก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวเท่าแก่ก็เป็นเจ้านี่ผมพอแก่วงมากๆเข้าผมเลยรวบรวมสมัครพรรคพวกไปปล้นบ้านแกใจคอผมหดเหี่ยมมาก เพราะผมตั้งใจจะฆ่าแกกับเมียเพื่อปลอดหนี้แต่ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรผมยิงแกไม่ออกครับแกกับเมียกำลังนั่งหลับตาอยู่ผมก็ยิงใส่เลยโรปืนเ1 6มเข้าใส่แต่ก็ยิงไม่ออกในที่สุดผมก็ถูกจับได้ก็ติดคุกอยู่เกือบสามเดือนเพราะเ่าแกอ้างว่าจำหน้าคนร้ายไม่ได้ที่จริงผมรู้ว่าแกจาผมได้ผมรู้สึกซาบซึ้งในน้าใจของแก จึงตั้งสัจจะว่าจะเลิกทำชั่วและผมก็เลิกได้จริงๆครับคนเล่ามีน้ำใสๆคลอหน่วยตาเพราะความซาบซึง้งท่านพระครูพูดปลอบเขาว่า mm. เอาเถอะหมดเคราะห์หม ด, หมดโศกแล้วต่อไปนี้ชีวิตโยมก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองอาตมาขออวยชัยให้พร ใช่วัยสี่สิบเศษกราบท่านพระครูสามครั้งด้วยพอใจในพรที่ท่านให้ผมเป็นหนี้บุญคุณเท่าแก่มากเลยครับเพราะถ้าแกเอาผมเข้าคุกผมก็ไม่มีวันที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้นี่ผมก็ตั้งใจจะรับใช้แกเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนายสุขเขาดีกับผมมากครับหลวงพ่อนี่เขาก็จะไม่ยอมเอาเงินผมต้องขอร้องเขาอยู่นาน กว่าจะตกลงกันได้เถ้าแก่เสงยกย่องคนที่กลับตัวกลับใจได้เพราะเถ้าแก่ดีกับผมก่อนนะครับหลวงพ่อผมก็เลยจะตอบแทนความดีแก่แต่แกก็ไม่ยอมรับขนาดผมคิดแค่ค่าน้ำมัน200แกก็แถมให้อีกร้อยหนึ่งเป็น300นายสุขเล่าสรุปว่าโยมดีทั้งสองคนนั่นแหละคนดี ก็ต้องพบกับคนดีเธอเห็นด้วยไหมบัวเหี่ยวเห็นด้วยครับพระหนุ่มรับคําแล้วถามขึ้นว่าลุงพ่อครับผมรู้สึกว่าคนที่มาวัดนี้มีทั้งคนไทยและคนจีนคนไทยนั้นมักมาให้ลุงพ่อช่วยดับร้อนผ่อนทุกและก็มักจะไม่เอากรรมฐานบางคนรู้จักหลวงพ่อมานานแต่กลับไม่เคยปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างเช่นในขํา หรือประหลัดอำเภอคนเมื่อตะกี้แล้วตัวผมก็มีความรู้สึกว่าลุงพ่อรักคนจีนมากกว่าคนไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเธอหาว่าฉันลำเอียงว่างั้นเธอะก็ลุงพ่อลำเอียงหรือเปล่าล่ะครับลูกศิษย์ยั่วฉันคิดว่าฉันไม่ได้ลำเอียงใครปฏิบัติ ด, ดีฉันก็อนุโมทนากับ ส่วนคนที่ทำไม่ดีฉันก็สงสารเขาแล้วมันก็น่าแปลกอย่างที่เธอว่านั่นแหละคือคนที่ปฏิบัติดีนั้นมักเป็นคนจีนอาตมารักคนจีนมากนะโยมเท่าแก่อยากรู้ไหมละ่ะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านถามเท่าแกเสียงอยากทราบครับ หากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังครับบุรุษวัยเลยเจ็ดสิบพูดอย่างเกรงใจท่านพระครูจึงเล่าว่าที่อาตา ม, มารักคนจีนมากเพราะชอบที่เขาขยันทำมาหากินประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพราะอาตา ม, มาทำเวรทำกรรมกับคนจีนมามาก สมัยที่เป็นเด็กๆ ก, ก็เลยต้องมารักเขาเป็นการใช้กรรมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันเกลียดคนไทยหรอกนะบัวเหี่ยวเธออย่าเข้าใจผิดครับผมเข้าใจถูกต้องแล้วและก็รู้เดี๋ย ว, ว่าลุงพ่อไม่เกลียดคนยน์เหมือนกันพระบัวเหี่ยวเยาตอนเด็กๆหลวงพ่อทำกรรมอะไรไว้กับคนจีนหรือครับ นายสุขถามมากมายหลายประการเชียวลยโยมสมัยเด็กๆอาตมาชอบทดสอบความอดทนของเขาทดสอบยังไงครับก็แกล้งต่อราคาเวลาซื้อของอย่างตะแปะคนหนึ่งแก้ขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดอาตมาก็แกล้งต่อ แกก็ไม่โมโหถ้าเป็นร้านคนไทยรับรองถูกด่าและถูกตะเพิดออกจากร้านแน่เพราะคนไทยเขายิงแล้วก็ไม่มีความอดทนร้านคนไทยเขามักจะมีนางกวักประจำอยู่ในร้านแต่กลับขายไม่ดีร้านคนจีนไม่ต้องมีนางกวักแต่ขายดิบขายดี จนหยิบแทบไม่ทันโยมเชื่อไหมสินค้าอย่างเดียวกันถ้าร้านคนไทยขายห้าบาทร้านคนจีนจะขายหกบาทคนซื้อเขาก็รู้แต่ก็ยังอุตสาไปซื้อร้านคนจีนร้านคนไทยขนาดมีนางกวักด้วยขายถูกกว่าด้วยแต่คนกลับไม่ซื้อแปลกไม่เล่า ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับพระโบฮิเอวถามก็คนจีนเขายิ้มแย้มจำํำใสส่วนคนไทยหน้าเหมือนมือนางกวักใครเขาจะเข้าร้านนายสุขกับเท่าแก่เสงหัวเราะชอบใจเพราะท่านพระครูทำท่าประกอบการเล่าด้วยทีนี้ตาแปะที่ขายเสื้อผ้านี่แกก็ถูกอัตมา แกล้งอยู่บ่อยๆแต่แกก็เอาตัวรอดได้ทุกทีอย่างเช่นอาตมาซื้อเสื้อไปวันนี้พอรุ่งเช้าก็เอามาเปลี่ยนบอกตดแปะขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยใส่ไม่ได้มันครับตดแปะแกก็ว่าท่านเรียนเสียงคนจีนไม่เป่งลายไม่เป่งลายเสื้ออ้วซักเลี้ยวยืดลาย อาตมาก็เลยต้องกลับบ้านเพราะแกะไม่ยอมให้เปลี่ยนพอรุ่งเช้าก็มาใหม่บอกว่าตาแปะอ้วขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยแกก็ถามว่าเปลี่ยนทำไมอาตมาบอกมันหลวมแกก็ว่าไม่เป่งลายไม่เป่งลายเสื้อล้างอ้วซักเลี้ยวหกลายตกลง แกก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนอาตมาก็หมดปัญญาที่จะพูดกับแกท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วเล่าต่อว่ามีอยู่รายหนึ่งที่อาตมาทํากรรมกับแกไว้หนักกว่าคนอื่นๆแกชื่อบกอาตมาก็เรียกแกเจกบกเท่าแกเสียงสะดุ้งนิดหนึ่งแต่ท่านพระครูไม่ทันสังเกตท่านเล่าต่อไปว่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองพวกคนต่างด้าวจะถูกไล่ออกจากเขตที่มีทหารเด็กบกแกก็ถูกไล่มาจากอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีมาอาศัยอยู่ตลาดปากบางแกก็เที่ยวซื้อขวดซื้อโลหะจากชาวบ้านไปขายบางทีก็เอาขนมข้าวพองมาแลกอจตามาตอนนั้น อายุส1บอดหรือส2สองนี่แหละก็ชอบขโมยข้าวพองแกมากินแล้วก็ด่าแกว่าไอ้เจ๊กบ้าไอ้เจ๊กบกบ้าบางทีก็ล้อแกเป็นเพลงว่าเจ๊กบกตกน้ำตายมีร้องไห้เสียดายเจ๊กบกแกก็ไม่กโกรธยิ้มลูกเดียวแกบอกอาตมาว่าอาตีหรือจาหลา่าอ้วก็หลาไป อ้วไม่กกแต่อ้วดจะเอาสาตางจากลื้อให้ลายนี่แกว่าของแกอย่างนี้แล้วได้ไหมครับเท่าแกเสียงถามเขากำลังสงสัยว่าเจ๊กบกที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นจะเป็นคนเดียวกับน้องชายของเขาหรือไม่ก็ต้องฟังท่านเล่าให้จบเสียก่อนได้สิก็เวลาแกไม่เผลอให้อตมาขโมยอตมา ก็จำเป็นต้องซื้อแก่แต่กระนั้นก็ซื้อแบบขี้โกงคือขนมข้าวหองแกขายห่อละเฟือ้องอัตมาก็ทำเป็นซื้อห่อหนึ่งแต่ที่แท้หยิบมาสองหอ่อก็โกงแกมาตลอดจนกระทั่งแกเปลี่ยนจากขายขวดไปขายหมูอัตมาก็ขโมยหมูแกอีกแล้วเคยถูกแกจับได้ไหมครับ พระโมเหียวถามถ้าถูกจับก็เสียชื่อมหาโจร น, นะซีคือตัแปะแกมีเข่งอยู่คู่หนึ่งแล้วไม้คานของแกก็มีลักษณะคล้ายไม้พลองของลูกเสือแต่สีดำเมี่ยมเลยแกหาบจนไม้คานเป็นมันแกก็ตัดหมูออกช่างเป็นกองกองกองละหนึ่งกิโลยืนขายอยู่ที่ท่าน้ำ พอแกมัวหยิบหมูให้คนอื่นอัตมาก็ย่องไปข้างหลังคว้าหมูที่แกกองเอาไว้ก็เอาหนีบรักแร้แล้วโดดน้ำดำมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นบ้านอัตมาเอาหมูไว้ในตู้กับข้าวแล้วดำน้ำไปฝากกะโนอนอีกหวังจะไปเอาอีกซักโลพอขึ้นไปยืนบนท่า แกก็บ่นกับคนซื้อว่าหมูแกหายไปโลหนึ่งต่คนซื้อแกก็เห็นตอนที่อาตมาหยิบแล้วโจรลงน้ําแต่แกก็พูดเข้าข้างอาตมาว่าหมูมันคงตกลงไปในน้ําเจ็กบกแกก็ว่าเป็นไปไม้ลายต้องมีคงมาคาโมยถ้าตกน้ําจริงมั่งก็ต้องลอยตาคนนั้นก็พูดอีกว่า มันไม่ลอยหรอกถ้าเป็นเนื้อหมูมันไม่ลอยเป็นมันหมูถึงจะลอยแต่แปะก็เลยตัดมันให้มากหน่อยตัดเนื้อน้อยๆพวกคนซื้อก็เลยได้มันหมูไปมากกว่าเนื้อเพราะอัตมาเป็นต้นเหตุแล้วแกเคยแสดงท่าทางว่าสงสัยหลวงพ่อไหมครับนายสุขถามแกก็คงสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ไม่มีพยานหลักฐานแก่ก็เลยเอาผิดอาตมาไม่ได้อาตมาก็แกล้งแก่สารพัดเจอหน้าทีไรก็ดา่าไอ้เจ๊กบ้าไปไปให้พ้นแก่ก็ยิ้มบอกว่าไอ้ตีวังนี้รเรียกอ้วไอ้เจ๊กบ้าแต่วังหน้าเรือต้องเรียกอ้ววาดเตียจำไว้นะอาตมาบอกเรื่องอะไรจะเรียก แกก็ว่าต้องเรียกวังหนึ่งหรือต้องเรียกเพราะอ้วมีลูกสาวหักคงหรือจะต้องมาขออ้วเรียกเตียเข้าสักวังนี่แกว่าของแกอย่างนี้แล้วกดจริงอย่างที่แกว่าซะด้วยอาตมาต้องยอมเรียกแกว่าเตียเพื่อชดใช้กรรมลงพอไปชอบลูกสาวแกเข้าหรือครับ พระโบเฮียวถามเปล่ารอกแต่ลูกสาวแก่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ฉันต้องเรียกเจ็กบกวดเตียคือพอลูกๆเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคนดีมีฐานะก็ช่วยเตี๋ยทำมาหากินจนร่ำรวยขึ้นเป็นลำดับกระทั่งมีเงินไปตั้งร้านขายทองอยู่ที่เยาวราช เท่าแก่เสง่งแน่ใจเกือบร้อยเปอร์เซนตว่าตะแปะคนที่ท่านพระครูเล่าให้ฟังนั้นคือน้องชายของเขาครั้นจะพูดออกมาก็เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาทางที่ดีควรฟังท่านเล่าให้จบเสียก่อนโลกมันกลมนะโยมเท่าแก่พอแก่ย้ายเข้ากรุงเทพอาตมาก็ไม่เจอแกมาเป็นเวลาร่วมสิบปี ทั้งที่หลังจากนั้นอาตมาก็เข้าไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพไปอยู่กับพันตรีหลวงทาราซึ่งเป็นคุณปู่ของอาตมาที่ตำบลบางแวกฝั่งทนบรุรีอาตมาเรียนตำรวจระหว่างที่อยู่กับท่านอาตมาก็เรียนดนตรีไทยเป็นลูกศิษย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะแต่ตอนหลังอาตมา ไม่ชอบเรียนตำรวจมันไม่ถูกกับอัธยาศัยเลยกลับมาอยู่บ้านพอปี 2,491 ก็อุปสมบทที่วัดพรมบุรีบวชได้ห้าพรรษาท่านสมพานก็บอกให้อัตตมาเข้ากรุงเทพไปเรียรายเงินมาสร้างโบสถ์อัตตมาก็ไปกับลูกศิษย์ไปหาจอมพลปอ ท่านก็ทำบุญมาห้าพันหลวงประดิษฐ์ไพเราะทำมาสองพันและพวกข้าราชการที่ใกล้ทิศจอมพลปอซึ่งขณะนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ช่วยกันคนละร้อยสองร้อยก็ได้เงินมาหลายหมื่นวันจะกลับก็มีข้าราชบริพาลของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชการที่ พาอาตมาเข้าเฝ้าพระองค์ก็พระราชทานพระดาชทรัพ์ส่วนพระองค์มาห้าพันอาตมาก็เตรียมจะกลับมีลูกศิษย์ไปด้วยหลายคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทีน่นี้ลูกศิษย์เขาก็อยากจะซื้อทองกันก็เลยพาอาตมาไปเยาวราชเขาก็พากันเข้าไปซื้อทองในร้านอาตมาก็ยืนรออยู่หน้าร้าน ก็มีตะแป๊ะเจ้าของร้านออกมานิมนต์ให้เข้าไปชันน้ำชาแกก็ถามว่าอาตมามาจากไหนพอบอกว่ามาจากวัดพรมบุรีแกก็เล่าว่าแกเคย อ, อยู่ที่ตลาดปากบางอาตมาก็เอกใจแกก็เล่าตั้งแต่หนีมาจากลบบุรีเพราะเขาไล่คนต่างด้าว ออกจากเขตทหารมารับซื้อขวดไปขายขายหมูกระทั่งมาขายทองแกบอกชีวิตสมัยที่อยู่ปากบางนั้นตกระกรรมลำบากมากต้องหาบของขายจนบ่าด้านไปหมดว่าแล้วแกก็สั่งให้ลูกสาวไปเอาเข่งกับไม้คานลงมาอดอาตมาเห็นก็จำได้ แกปิดทองไว้เหลืองอารามเลยอาตมาก็ลองถามแก่ว่าเคยถูกคนแกล้งไหมแก่ก็ว่ามีเด็กผู้ชายเกเรอยู่คนหนึ่งชอบด่าแกว่าไอ้เจ๊กบ้าแล้วก็ชอบขโมยขนมข้าวพองแกพอแกขายหมูก็แอบขโมยหมูแกอีกอาตมาฟังแล้วก็ขนลุกคิดในใจว่า จะบอกแกดีหรือไม่ดีก็พอดีแกถามว่าทั้งมากรุงเทพทำไมอาตมาก็บอกมาเรี่ยไรยเงินไปสร้างโบสถ์แกก็เดินไปที่ลิ้นชักหยิบเงินมาสองพันบอกว่าร่วมทำบุญด้วยอาตมาก็เก็บเงินใส่ ย, ย่ามไว้อย่างมิดชิดกลัวแกจะทวงคืนแล้วก็สารภาพกับแกว่า เตียอาตมาขออโหสิกรรมเด็กเกเรที่เคยขโมยของเตียเคยด่าเตียนะคืออัตมาเองแกได้ยินดังนั้นก็ตกใจอ้าปากค้างเลยอาตมารีบพูดต่อว่าเตียอโหสิกรรมให้อัตมานะไหนไหนอัตมาก็เป็นพระแล้วและก็คงไม่เอาเงินคืน พอแกหายตกใจแกก็บอกอาตมาว่าท่านไม่ต้องเรียกอ้ววัตเตียก่อไล่เรียกไอเจ็กบกหรือไอเจ็กบ่าอย่างเลิมก่ อ, อไล่อเมกโกเรียกก็ไม่เอาเงินคึืนรวยแต่อ้วขอท่านอย่างเลียวเท่านั่งแกขออะไรอาตมาโยมเท่าแก่รู้ไหมท่านถามเท่าแกเสียงไม่ทราบครับ บุรุษวัยเจ็ดสิบเศษตอบขอให้ลุงพอศึกไปแต่งงานกับลูกสาวแกใช่ไหมครับพระบูเหียวเดาแหมถ้าขออย่างนั้นก็ดีนะสิแต่นี่แกไม่ได้ขออย่างที่เธอเดาแกพูดกับฉันว่าทั้งบวกก็ลีเลี้ยวอ้วจาขอร้องวะให้ทั้งบวกอย่างนี้ตาหลอกไปอย่าไลา่ศึกออกไปหลาเจ๊กอีกนี่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 ความจริงอะไรของเท่าแกละ่ะว่าไปเถอะอาตมาจะพยายามไม่ตกใจเมื่อท่านอนุญาตบุรุษวัยเจ็ดสิบเศษจึงพูดขึ้นว่าเจ็กบกที่หลวงพ่อเล่ามานั้นคือน้องชายแท้ๆของผมที่หอบหิวกันมาจากเมืองจีนครับท่านพระครูมีความรู้สึกเหมือนกับวันที่เสาเต็นพุ่งมาปะทะหน้า ท่านรองเรียกนายสมชายเสียงหลงสมชายอยู่ไหนน่ะช่วยชงยาหอมมาให้หลวงพ่อด้วยเถอะกำลังจะเป็นลม